เป็นสุขก็สุขถ้าเป็นทุกขทุกไม่ใช่เห็นตัวเองได้เห็นแล้วก็จะเห็นว่านเป็นสุขมันเป็นทุกข์ตามธรรมชาติตามสภาวะธรรมของรูปของงามตามความจริงเป็นสุขก็เป็นสุขถาทุกข์กเป็นทุกข์ไม่ได้มีกว่าก่อ 今年，我是对中国、中国传了美国，从龙传了美国，从突传了美国，太远了，太远对。 ความคเชัดความจริงความล่อห้อยจริงกวัมรวดเร็ตัวจริงกว่า ทฤ่น้เชื่นสอนว่าทำมันมีโอกาสละมาสองอย่างทฤษเชื่อว่าเลือดต้ส่วนสมเยอเนวัมรุกรุ๊กเหมือนพ่อมันแม่ของเราภูาละเวลานียเวนา ผู้ทำค น, น, นกด็ดีเปในบางก่อนทิ้งพวกแม่เราทาก็ดีกับเราทุกอย่างเจ้าว่าบุคคลกาลีบคุคคลกตัญญูก็แต่ไปที่บคุคคลผู้ต่อแข่งรุนคนก็ดีของผู้ทาคนดีคนสองคนไม่หายามาใช่มาเหยีผู้เห็นคนตัววมมันตัมังนานไม่นะใคนสองคนหายะ ทำมันทให้าสองอย่างคนติตัวคนาจะคนเงียม่าให้คนเดินเดียวดายสองอย่างยิ่หลใจใจโอตระกับเงินปูวาเคยนปูวะต่อมาไม่กล้าคิดไม่กล้าพูดไม่กล้าทำคนดอไม่เห็นเราพอเห็นหรือ่าอายต่อใจตัว ไปเฉยๆต่อคนอื่นที่บ้านก็มีกับตัวเองแตกมัวหลักตาไม่มีในตัวเราทำห้คนเป็นก็คมมีอยู่สองอย่างคือเมตตาลุนางเมิตาเปรียห์ขาทำห้คนมั่งมีมีอยู่สองอย่างสันทาท้อใจในการงานของตนที่มันเป็นงานชอบม่เกียดเบ็นตนเลไม่เบีเดเบกยนคนอื่น ในบทตระยาสามีของตนดำรวใจเราวิยะเพียนปะกอริงนั้นไม่ตัวเปจริงไม่วังตุนะละกันหรืละกันทำหน้าที่ช่วยเหลือรูอแค่เตมด้วยเมตตาคุณาเหียนปะกอิตเอาใจใส่ สสม ils, ีเจ okay, ้าของพัะยาพัญยาเจ้าของสามีเรา่อกเป็นใหญ่ให้กันใการเอาใจที่มั่งศกดิ์แตถาทีอยากที่จะมังศักดา์อ่ก็นี่ทำมันทำให้สำเร็จ เวารักก็เป็นความสำเร็จใจควารักที่ชือาสำเร็จพุ่อเจ้าไปยอดนันคลับสำเร็จเลยจะมาถึงพวกเราทุกวันนี้เราความรักเกิดขึ้นจากจักรวาลก้อนเกเป็นเศษก้อนเกิดเป็นจากตวนมป็นบาท่ามือได้นานได้พัะเยสี่อยานะรู้จักซ่อมแซมพระจรักที่ข้างข้าง อะไรมัสุดซอมต้องจับซ้อมแจมสองหน้าเส้หน้ากัดจะถูกที่หายไปแล้วให้ขึนมา้วามซ้อมหายไปไหนอเสียมหายไปไหนแม้แ่เฉียเดยผ้าหายไปไหนเวลาปวดมากกระเวเข้ากลางวันปวดออกยังไม่เห็นจะเป็นปวออกปวเข้าไปกอไม่ก่อนถ้ามีเฉียเียดผ้าอยู่ที่นั่น มีใครนั่งเจ้าที่นี่ลืไมไว้ตอนนี้คนถามว่าขวดบ้างนะปวดไปไหนเออขวดไปกองไว้ท่อนเสานะไปหา เ, เหชินจะเจอได้เชิญแล้วเดี๋ยวกบตามหาจะไปหาพระเจดุทีมหายไปคืนมาแล้ว เสถียร์เริหมเกิดมาเศรษฐาปัจจุบัที่ยังไม่มีไม่มีขึ้นอะไรมัไม่มีแต่นคนมันั้นตอนมันเพิ่ต่อยงที่หลวงตาพูดวันนี้ขึ้นต่อหน่หอเล็กอดนนต้องหม่มมไปมันก็ใหญ่ขึ้นมาจะให้มันไปชีวิตของเราไปมาจะมาได้ไปป่าจะมาได้เราไม่จา่ายไปแจ้งหมอนึง ให้ ม, มีให้มีขึ้นข้อที่สีตัง้งตรู้สตีเพราะแม่แม่เรือนเป็นผู้มีสิแง่เป็นเนาาารื่องข้ามกาข้ามนี้มั่งมีแนะ่นอนไม่ยากาจ น, น, น, นถ้าตรงกันข้าก็สีข้อนี้แหละไม่รู้จักชอบแย้งวัสดุที่ข้างข้า บางทีมันได้ยกอาจจะก็หักลงมา เ, เจ็บขาเจ็บแขนทีน่ตายไปเสียของเสียหายไป็ด ป, ปวดพาหาหม อ, อไม่รู้จักเสียงหารสุด ท, ที่หายไปแล้วขึ้มาทอ้อทิ้งคลิกคว้างไม่รู้จักประต เ, เที่ยงไม่มีก็ไม่ต้องหาชีวิตชีขนาดบุรัษตีเป็นเพราะว่าไม่เรลืองเป็นคน มีเล่าออกจาเลี้ยข้ามมาข้ามหนีหัวามยเมียหัวหามาเมียก้นีเมียหามาห้านีมันก็ไม่เหลืออยากจะบเลยสิคที่จะดีไปที่แบบกเอาเรื่องนันมาทำต้องไปเนี่ยมันจะตะกูลจะมั่งค้าจะได้ไน ที่จะไปใชป โทษที้งุลาฝ่าตุลาเกานการยานสครามเพื่อนำเี่ขั้นความหยุดอนั้นไม่ใช่สันตาตให้ความพยายามเพทําให้ความเียรขันยดให้กวบขวดความม่อยความุดเป็นสมความพิมพ์เป็นทุกข์ความหยุดม่ใช่เด่นเาไม่รู้เ ม่ใช่ลูท่ทางผู้ลูท่ทางต้องเก็นต่างการธรรมชาติตามประจริณแล้วลูปตัวเองลู่ทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจี่มันเกิดขึ้นกับกากับใจล่วันสูนเท้าอูไทยมันจะเกิดอะไรขึ้นมาเราศึกษาเราปฏิบัติ เราโฟกัสตัวเองอยู่เอาบทเกัตัวเองนี่แหละไมว่ารูปตัวเองจะเปรียบเทียบว่าใจหยุปมัน่บ 8, 000, 000, 000, เรื่องยู่ในกายในใจนี้กระสูนพะบิดามพระบินายอ น, นก็เป็นระเบียบในการในใจในความซึ่งใช่ไมมสอยว่าเรือนสิ่อย่างนี้ระเบียบวใน อย่าไปยาไมองเียวมากเส้นจีน่เป็นระเบียบระเบียบในกายใจมัไม่พอระเบียบอยู่ในโรงพาบาลอยู่ในโองพยวบระเบียบอยู่ห้องน้ำมองซ้วงีือนเขื่ต่ามีระเบียบที่โถชานมีระเบียบที่แบบที่มันหมอมุ้งมีระเบียบ เ, เราไม่หาโรคอะรหมดเรื่องอเดียวอางรสุลเรเดวขอาอย่าิงได้เปลนตนเลสเปลี่ยนคนอืไมใช่งไม่ใช่ปไห น, นจินได้เปลี่ยนจิงได้ไม่เปีย น, น, นตนเลไม่ีน่น น, นั่นที่ไหน วิคือวิเศษวิคือวิเศษนายยะนำไปนำไปสู่วมิเศษที่ว่าวิไนวิไนเจาเม่อวิไนนี้ผู้ใดปฏิัติถึงมรรคทผ่านมคำพูดเจ้าอสมบติบวบที่สามโมงะนี้มีแต่คำพูดอย่างต้นนี้ทัดนรงในสุมาต ทาไี e e ่ไหนเราตัดไปถึงแล้วท่านตรงพเป็นผู้พิษตามทมที่ไหนนั้นเกิดนี่ผู้พิษเป็นปัญหาก่อนที่ัะไม่มาบวชท่านตเป็นผู้ปฏิบัติามทนั้นเกิดตามที่ไหนนั้นเกิดถ้าใครยังเป็นปุถุชนนอบวชูเจ้าบตัดว่าท่านจะเป็นพิษสุโมเกิ เราต่อไปแล้วท่านต้เป็ระกอบการตอนนี้ให้เปที่ชิทุกข์ r ับที่ว่าชตเราไม่หนอะที่ชิ้นทุกขเอางครัอยกเลื่อมมาชิ้น n ม่ถึงบางคร i ้งเลอนนแล้จะนนไลบิดจิตบียดยไห ไม่ใชเลยนั่นไม่ใช่เจจิ้นข้าวกาเรื่องมาชิดเจอนิ้นข้าวมาลงอารมณ์เข้าไปในข้อคอขอมาชี้หมดไปเลยเศรษีเป็นลูคการอาหารได้อาหารเต็มด้วยจินชาวกินไม่ได้อารมณ์เขาก็อยู่ก่อนจะได้คำรเอจะขาดูลมันจินอารมณก่อ ก็เพราะกระเจงก็ด้วยหลงมายืดกินลงไปก็ไม่ย่อยท้องผูกอาหารไม่ย่อยไม่มีประโยชน์ก็ใช้ดีๆกินแค่หลอดด้วยความว่าต้องตินปลากินหาทกอย่างหลจาก ทำงานด้วยจิตด้วยอาจจะวางแผนปฏิบัติตาเจริ้นได้ในตัวแต่หมดทีนะเพร่าินข้าวาเด้นมาคิดที่ความคิดเองทำไหมแต่เพราะคนตัวอันนี้เป็นความโกรธกินข้าวไม่ลงลงทุกความสศกกิงข้าวไม่ลงีมาลง มันไม่ใช่สัพเพเห ไม่เพราะคนเองไม่รู้จักปกครองนเอบอกให้เจริญล้วเจริญลขอสุขลีก็สุขเลีอาผู้บอกแล้วบอกไม่โทษเจริญแล้วไม่โทษสุขลีก็ไม่โทษวันสองที่เป็นที่ผ่านมาเป็นวันที่สโ ไม่มีผู้แปลการะามีแต่ทีไม่มีผู้ มันจะมีอะไรเกิดขึ้นในการในใจเราเนี่ะแตเมื่อเห็นเบื้องต้นลปเ็นกายเเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมเราก็แต่ฉนแต่จริงๆเน่นมจะองสวดที่เน้ไงลาลาลทั้งจับาาทั้งทำตั้งนหน้าเป็นของหนึ่นขงข้นพเจ้ารู้ mm. จกั ก, จกหมายถึงห้า คืออะรนะคือโลีทวปกเทุกคนลกเนี่ยประกอบปรทสีเจ น, น้นลฟปทศสีมีขันติกของขอ ง, ของของขั น, น้ากเวทนานั่ก็รู้โอก ปวดโูหิ ว, วนนรูเราต้อนอนมำนมชาของขังมันมีตั้งแตีสัญเามันรู้อะไรได้ที่เกิดจากการ ก็เจ็บอยู่นี่เรือากาศมีวิญญาณหมูไม่มีแล้วจะมูก็ยังมีกลิ่นอยู่มีวิญญาณดีบเหมือนก้นผิดชินเข็มลูกจับอยู่ยูนี้ก็เลือกชินอานที่เขียจัดเขาไม่ชินเพราะมีความดันสูง ก็ยังรู้จักเกี่วอะไรสุขอะไรทุกรื้แตเปลี่ยนได้ปฏิบัติได้ตัเนะองกเรู่พลันเลยงช็ไมย่ยอมที่จะฉันหะที่มันไม่ป็นเชื่อทังเลีงสนนมมติว่าพอใครกำลังฉันอดี๋ยวนี้ก็จนเอาเป็นรย่าง ลดน้ำน้ำหลงน้ระอบช่วงของหลงสองหลงอไหมลดหลงด้วยปานนึงดีคนนั่งก็กันกน้ำหักมันก็ต okay. ้อยากให้มันเกินหมอบอกว่าให้หกสิบห้ากีแล้วนีก็ไดแปช่ป่ะหกจุดหาก็ดบส่วนสูงหว่ามันเจ็หนะหกห้ อะาาไรทันจะขนาะมันมีทุกข์พรขันนี่แหละอุปทานไปยึดว่าเราล้นเราหนาวเราเจ็บเราปวดเราหิวเราอะไรต่างๆมันเป็นทุกตัวนั้นแ้่ขันล้นล้วนไม่เป็นดายขนันล้นล้วนมันอาศัยได้ถ้าขันนี้ปุปทานไปยึดเอาอันนั้นเป็นปุตุว่าเราโย่อุปทานกันนะ ตลาก เ, ลเป็นจขันต า, าขาหน้าของหนักเลยตัวปวดก็เป็นขันหน้าเป็นคนแบกขันหน้าตอนนี้หน้าปวดหน้าบ้นเป็นไหมเป็นเชียดเคยยิ้ยมเคยยิ้ยมไม่ออกเพระหนักไปด้วยขันหน้าอาดมก็ไปอยู่บ่ เห็นไหมเห็นมันหนักไหมถ้ามันหนักก็เป็นโฟมตามเป็นเป็ดเป็นัตตลกเป็นเอกสารอะไรในขหน้าเป็นยอกกว่าขหน้าที่เห็นรงที่เราไียื้อไปก็เห็นเยอะไหมไม่คี่น้อย เดี๋ยว เราเปิดแาาปลงแก้จ๋าแลจ๋าขึ้นมเาเห่นตนไม่เสียจาแล้วมองประกอบมันก็ลงนูมันสวนทางกับเราตาปวดท่วมฉันมันมในส่ร้รองเดียนไเห็นรถตุ้งตีจ๋าแล้วสองส า, ามสุกนแตงงนี้ไม่ควรที่มันเปยดเป็นสนะมันสนทางกับพกกืชศาสตมา ทั gression, adesso, ่วๆไปแจ้าหนี้ปีไหนเจ้าเนี่ยฮไม่ยินไหมมีการตลาดมีการตลาดเราต้องมาเรยรู้สงครามประเทศที่มีมีมองมองฝนตกอินโดนีเซียเาตางกันท่วงไปไม่เห็นไม่เห็นเพื่อกิบการสงครามว่าช่วงไปเเป็นวัสมไม่สัมพันธ์กันสงครามคามเย ก็ทำอะไรนี่ต่อถึงเวลานอนแล้วก็ แต่ชาติเห็นลูกเห็นน้ำไปแต่ชาตไปไม่เป็นเหมือนไม่ไปเมือนผู้สมคือบอกดีผู้หลอกสมคือบาปมันก็ไม่เป็นธรรมเดียวกันหรอกจรงใดไม่เป็นศิลปกรรมจริงนั้นคือยืนอยู่ไม่ได้นะมันมาเทีย่ยบพิสูจแล้วมันไม่ใช่เหมือนกับวิทยาศาสตามมา สิ่งใดมันเป็นธรรมสิ่ตน้นทนต่อการพิสูจน์พูดเจ้าสวดกรรมกรรคนจะว่า ก็ตัวเองปฏิบัติใ้ได้มาจกตางเชมาดูมาดูมาดูเนามาดูซิมาจดูซิมาดู จะก็ต้องเที่จ